ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสามัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตตะปัพระบุพภสิกขาและบุพภสิกขาวันนาพระอมราพริรคิตะอมโรเกิดวัดบรมนิวารตจนาต่อไปก็เป็นเสนาสนะปฏิสังยุตเรื่องของเสนาสนะต่ออีกข้อหนึ่งข้อหนึ่งอีกนะ แม้เสนาสนะที่ทายกเขาจัดแจงไว้รัฐพระสงฆ์ก็ไม่ควรกลางกั้น้ดยทรงห้ามไว้ว่าณพิขเวอุดิสกะตังติยถาวุฒังปะิบาหิตบังนังนี้ว่าแม้ถึงเสนาสนะเขาเฉพาะพระสงฆ์คือเขาจัดไว้เฉพาะพระสงฆ์เนี่ยทำไว้จัดแจงไว้ก็อย่ากลางกัน้นห้ามห่วงเอาตามผู้แก่ปัรหาถ้ากลางกัน้นต้องถูกกดถ้าก็จัดไว้ก็ต้อง ให้เป็นไปนตามที่เขาจัดไว้จะดิ้วห่วงห้ามกางกั้นอะไรไม่ได้ข้อหนึ่งอย่าเอาเครื่องเสนาสนะจะพึงบริโภคในที่อื่นไปบริโภคในที่อื่นของที่ก็าใช้ในเสนาสนะไหนก็ต้องเอาไว้ในที่นั้นถ้าอยู่ไม่ใช้ต้องมาเก็บถ้าไม่เอามาเก็บก็มีโทษด้วยตรงห้ามไว้ว่าณพิฆเเวอัญญัตระปริโพโคอัญญัตระปริพุนชิตโบแปลว่าเตียงต่างเป็นต้น เป็นของจะพึงบริโภคในเสนาสนะอื่นซึ่งเป็นของสง์ย่าพึงเอาไปบริโภคใช้สอยในเสนาสนะอื่นถ้าเอาไปบริโภคในที่อื่นต้องทุกกฎก็แล้วจะขอยืมไปใช้สอยหรือจะเอาไปรักษาห่วงไว้ในที่อื่นเพื่อจำไม่ให้คิดหายเสียควรอยู่ถ้าเสนาสนะปล่กขึ้นอะไรต่างๆแล้วก็เอาไปรักษาไว้อันนี้ไม่เป็นไรด้วยทรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิพิคเวเข้อความละ ตาวาการิกังหาริตุงอนุชานามิพิกเวเขอความละอีกคุดตัดฐายะฮาริตุงดังนี้เพราะเหตุนั้นเมื่อเอาไปบริโภคเป็นสังขิกะก็คือเป็นของสง์บริโภคนี้ที่อื่นเนี่ยถ้าเอาไปบริโภคเป็นของสงให้คนอื่นใช้ด้วยแม้หายและค้ำคร่าไปก็เป็นอันหายและค้ำค่าไปด้วยดีไม่ต้องชดใช้คืนถ้าไม่หายไม่ค้ำคร่าไปเตีย้ย เมื่อวิหารก็ดีนั้นเขากลับซ่อมแปลงเข้าก็พึงทําของนั้นให้เป็นปกติขึ้นอีกก็คือเอาไปคืนที่เดิมถ้าที่นั้นเขาทําเรียบร้อยแล้วก็ไปคืนที่เดิมเมื่อเอาไปบริโภคเป็นของบุคคลก็คือใช้เปนของส่วนตัวเลยไม่ให้คนอื่นใช้เลยของนั้นหายหรือว่าขําคข้าไปเสียะย่อมเป็นสิ่งใช้ต้องใช้คืนถ้าใช้นของส่วนตัวเมื่อวิหารก็ดีนั้นเขากลับซ่อมแซมขึ้นแล้วต้องใช้ให้เป็นแน่แท้ต้องมาคืนแน่นอนไม่งั้นมีโทษ ถ้าเอาเครื่องอาวาตมีกรอนเป็นต้นมาแต่เสนาสนะเตามาประกอบผสมเข้าในอาวาตเป็นของสงอื่นแล้วไซชื่อว่าประกอบเข้าด้วยดี mm. ก็แลเอามาประกอบเข้าในอาวาตเป็นของบุคคลพึงให้หมูลค่าถ้ามาใช้เป็นของบุคคลของส่วนตัวไม่ใช่ของสง น, นี้ต้องเอามูลค่าไปให้พวกกรอนพวกคื่อพวกอะไรก็แล้วแต่หรือพึงทําให้เป็นปกติไม่ไงั้นก็เอาไปใช้คืน เมื่อถือเอาเตียงต่างเป็นต้นแต่วิหารร้างด้วยทยจิตพึงปรับตามราคาของเลยถ้าไปเอาของวัดร้างนเลยนะวันร้างก็ยังเป็นของสงอ่ไม่ใช่ของส่วนตัวแนดงว่าปรับตามอัปบาทเลยเมื่อถือเอาเตียงต่างเป็นต้นแต่วิหารร้างด้วยทยจิตก็ปรับตามราคาของเมื่อยกของนั้นขึ้นเมื่อถือเอาด้วยคิดว่าจักให้ในคราวพิกสุมาอยู่ในอวาานั้นอีกแล้ว ก็เอามาบริโภคใช้เป็นสังขิกาบริโภคขอยืมมาใช้เป็นของสง์ชิบหายและค่ำคร่าไปก็เป็นอาชีพหายค่ำคร่าไปด้วยดีไม่ต้องใช้ถ้าไม่ชิบหายเสียก็พึงกระทําให้เป็นปกติเถิดเมื่อเอามาบริโภคเป็นของบุคคลหายไปย่อมเป็นสินใช้อาประตูและหน้าต่างเป็นต้นแต่วิหารร้างมาประกอบใช้ในอาวะเป็นของสงหรือเป็นของบุคคลต้องกลับคืนให้เป็นแท้ถ้าเอาพวกประตูหน้าต่างอะไรพวกนี้เอามาประกอบใช้ว่า เขาทำเรียบร้อยแล้วต้อไปคืนให้เขาจะเอาบริขารของสงมีผ้ากําพลเป็นต้นไปแลกเปลี่ยนเสนาสนะมีเตียงต่างเป็นต้นมาก็ควรได้เหมือนกันเอาผ้ากําพลเอาอะไรต่างไปแลกเอาเตียงต่างมามีใช้ได้ด้วยทรงอนุญาตเลยว่าอนุชานามิพิขเวเข้อความละพาติก ร, รมมัทายะปริวัตเตตุงแปลว่าเราผู้ตถาคตอนุญาตให้แลกเปลี่ยนเอาเพื่อประโยชน์แก่ฐาติกรรม ก็คือให้เจริญบริขานของสงฆ์นะเคยทําบ่าวพาติกรรมแลกเปลี่ยนของสงฆ์ให้ของสงฆ์เจริญขึ้นก็แลกาติกรรมแลกเปลี่ยนให้เจริญของสงฆ์นี้ราคาเท่ากันหรือยิ่งกว่าเป็นเสนาสนะมีเตียงต่างเป็นต้นอย่างเดียวจึงควรก็ต้องให้ได้ราคาเท่ากันหรือว่ายิ่งกว่าถึงจะต้องแลกให้เป็นของสงฆ์ให้น้อยกว่านี่ไม่เอาข้อหนึ่ง ภิกตุฉันจังหันค้างอยู่อย่าให้ลุกด้วยตงห้าไว้ว่าณนะพิขเววิป ต, ตะตะโทชโนอนันตริโกพิกขุวุฏถาเปตบโปก็กวมละวดามิแปลว่าภิกตุอย่าพึงไล่ภิกตุผู้อยู่ในลำดับฉันค้างอยู่ในละแวกบ้านหรือในวิหารหรือว่าในป่าแห่งใดแห่งหนึ่งให้ลุกถ้าเธอใดไล่เธอนั้นให้ลุกขึ้น คนไหนกว่านั้นก็ต้องอภัตทุกกฎในแวดบ้านภิกษุผู้มาภายหลังถือเอาภิกขะแล้วพึงไปยังที่สมควรถ้ามนุษย์หรือว่าภิกษุทั้งหลายร้องนิมนต์ให้เข้าไปในโรงฉันพึงว่าครั้นเราเข้าไปที่สุดทั้งหลายจะพลุกขึ้นครั้นเขา ว, ว่ามาเถิดอาสนะมีอยู่ดังนี้พึงให้เข้าไปเถิดถ้าไม่มีผู้ใดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งพึงไปในโรงฉันแล้วก็ยืนอยู่ในที่สมควรอย่าให้ใกล้นัก เมื่อเขาทําโอกาสแล้วก็ร้องนิมนต์ให้เข้าไปพึงเข้าไปเถิดถ้าแลทิกตุไม่ได้ฉันนั่งอยู่ในอาสนะที่ถึงแก่เธอนั้นไซจะให้เธอนั้นลุกเสียก็ควรถ้าฉันเรียบร้อยแล้วฉันหมดแล้วนั่งอยู่เฉยนี่ก็ให้ลุกได้ก็แลทิกตุฉันข้าวต้มขนมเป็นต้นสึงได้ิึงหนึ่งอยู่แล้วนั่งอยู่จนกว่าทิกตุอื่นจะมาแม้มือเปล่าอยู่จะให้เธอนั้นลุกไม่ควรก็พึ่งจะฉันเสร็จถ้าไม่ได้ฉันแล้วไม่ว่ากัน ด้วยว่าเธอนั้นก็ชั่วฉันค้างอยู่ถ้าแม้แกล้งล่วงอาบัตขือไล่ให้พิกจุผู้ฉันค้างอยู่ลุกขึ้นไซถ้าแลพิกจุผู้ลุกขึ้นนั้นห้ามข้าวอยู่เล่าไซเธอนั้นพึงบังคับให้พิกจุผู้ไล่นั้นให้ไปเอาน้ํามาให้ที่แห่งเดียวนี้และพิจุหนุ่มบังคับพิกจุแก่ได้คือใช้พิกษุแก่ได้ที่เดียวพิกจุหนุ่มนั่งฉันค้างอยู่พิกจุแกมาถึงบอกให้ลุกได้แล้วก็ฉันหมดแล้วนี่ ใช่แต่ว่ามันพึ่งฉันเสร็จแล้วก็ห้ามพัดแล้วห้ามพันแล้วก็ลุกได้เปนการบอกว่านิมนต์ท่านช่วยหาน้ําำหน่อยนี่ไม่มีอบัตแต่ถ้าที่อื่นนะมีอับบัตตอนที่ฉันแล้วห้ามพัดแล้วแล้วก็เขาให้ลุกก็ให้ไปหาน้ํามาได้ถ้าได้น้ํามาเป็นการดีเพราะพระเทวดาหรือกกว่าพระแก้วก็เรื่องอะไรจะไปเอาใช่ไหมก็ไม่ไปเอาก็ได้ถ้าได้มาก็เป็นการดีถ้าเธอนั้นไม่เอามาเล่าไซ ผู้ห้ามพัดนั้นคือพิกูโหนมนั้นพึงกลืนเม็ดข้าวเสียให้หมดหมายถึงว่ายังเคี้ยวอยู่ยังมีเม็ดข้าวอยู่ก็กลืนให้หมดด้วยดีแล้วให้อาสนะแก่ผู้แก่เถิดเราตถาคตไม่กล่าวว่าให้พิกจุพึงห้ามอาสนะพิจุแก่โดยปริยายอันหนึ่งเลยถ้าพิกูุหนุ่มใดห้ามคงต้องถูกกดพิจูโหนุ่มก็ต้องลุกให้ไปเอาน้ํามาไม่เอาก็ไม่เป็นไรก็กลืนข้าวลงไป ข้อห้ามพัดนี่ท่านพิจุกําลังฉันอยู่นะแล้วก็มีคนเอาอาหารเข้ามาให้ในบัตบาทแล้วพิจุบอกว่าพอแล้วโยมตอนนี้ถือว่าเป็นการห้ามพัดแล้วนะถ้าลุกขึ้นแล้วต้องเลิกฉันอีกละมาฉันอีกไม่ได้ถ้าไปฉันอีกต้องบัตรไปจิตตีอันนี้ก็เรียกว่าห้ามพัดจะพูดด้วยกายด้วยวาจาก็แล้วแต่เพราะนั้นถ้าฉันครั้งเดียวก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าฉันหลายครั้ง ถ้าไปห้ามพัดแล้วลุกขึ้นแล้วจะมาฉันอีกไม่ได้พอแล้วยองอย่างนี้นะพอแล้วเนี่ยสมัยก่อนเขาจะมีการเอาเข้าวมาังคาวเนี่ยเอามาเติมให้พระบางองค์ก็บอกพอแล้วนะครั้นี้พอแล้วเนี่ยนะพอลุกจากที่นั้นแล้วไปฉันที่อื่นอีกโยงก็เห็นนะสิอ้าวไหนบอกขั้นของพอแล้วไงฉันอีกได้ยังไงก็เลยติเตียนเป็นต้นเหตุบัญญัติเลยว่าถ้าห้ามพัดแล้วห้ามไปฉันอีกแต่ว่าจะฉันอีกก็ได้นะต้องทําวินัยกรรมเอาไปให้กับพระพิตรที่ฉันค้างอยู่ ข้าช่วยทำพิธีกรรมให้หน่อยแล้วถือที่ฉันค้างก็ตักมาหน่อยนึงก็เอ้าผมตักแล้วนะทอนนี้พอละเอาไปฉันได้อีกพระที่ห้ามพัดก็เอาไปฉันได้อีกหรือว่าฉันของพิจุไขก็ได้ข้อหนึ่งอีกทรงห้ามไว้ว่าณพิขเวพันดาคาริโกวุฒาเปตาโบแปลว่าอย่าไล่ให้พิกจุผู้รักษาเดือนคลังลุกไปถ้าให้เธอลุกไปเสียต้องถูกกด คือไปพักอยู่ในเสนาสนะของสงพูดที่รักษาเดิมครั้งเนี่ยแล้วไปไล่ให้ใหเขาออกจากเสนาสนะเนี่ยไม่ได้ต้องถุกกดข้อหนึ่งอย่าไล่ให้พิจตุไข้ลุกถ้าไล่ให้ลุกไปต้องถุกกดด้วยทรงห้าไว้ว่านาพิฆเวคิรานาวุฒาเปตะบาดังนี้พิกตุสี่จำพวกไม่ควรไล่ให้ลุกนี่หมายถึงว่าอยู่ในเสนาสนะของสง คือภิกษุผู้แก่พรรษากว่าจำพวกหนึ่งภิกษุหนุ่มไม่ควรจะไล่ให้ลุกด้วยเป็นผู้แก่กว่าสองภิกษุผู้เฝ้าเรือนคลังจำพวกหนึ่งไม่ควรจะไล่ให้ลุกด้วยว่าเรือนคลังนั้นสงส ม, มุติให้แก่เธอแล้วสามภิกษุเป็นผู้หูสูดมีอุปการะมากด้วยอุทเทศและปริปุชฉาการเรียนบาลีอัจฉกาิาะเป็นต้นและเป็นผู้รับทุระของสงสงให้ที่อยู่เป็นที่สบายจำพวกหนึ่ง ไม่ควรจะให้ลุกด้วยเธอมีอุปการะและได้ที่อยู่แต่สงฆ์ข้อที่สี่ก็คือพิจูดไข้จําพวกหนึง่งไม่ควรจะให้ลุกด้วยเธอเป็นไข้เพิ่มกาหนดที่นอนที่สมควรให้แก่พิจูดไข้ด้วยตรงอนุ ญ, ญาตไว้ว่าอนุชานามิพิกขเวเข้อความละฮิลานะสะปฏิรูปังสียันดาตุงดังนี้พิจูดใดเป็นโรคหืดและบานทโรคและลงแดงเป็นต้น จะต้องตั้งกระโถนและกระเบื้องรองเวทก็คืออุจระเนี่ยเป็นต้นไว้สำหรับก็คือเตรียมเอาไว้หรือเป็นโรคกุดถังหมายถึงขี้เรือนจะพิทุศร้ายเสนนาสนะพึงให้เสนนาสนะส่วนข้างหนึ่งเป็นต้นว่าภายใต้ปราศาส์และมณฑปศาลาแก่เธอผู้เป็นไข้เช่นนั้นและผู้เป็นไข้ใดเมื่ออยู่จะไม่ระทุศร้ายเสนนาสนะผู้เป็นไข้เช่นนั้นแม้ที่นอนที่ดีก็พึงให้เิด แม้ที่สุใดฉันเพยตัดเป็นต้นว่ายาดองและยาประจุและยานัดอยู่เธอทั้งปวงนั้นชื่อว่าเป็นไข้สิน้นถึงว่าเป็นไข้ทั้งหมดพึ่มกำหนดเจนาสนะที่สมควรให้แก่เธอน น, นั้นข้อหนึ่งพิ่อุปถาภิกตุไข้ด้วยพระองค์ตรัสไว้ว่านัตถิโวพิขเวมาตาข้อความละดุกกตัสดแปลว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายมารดาหรือบิดาของเธอทั้งหลายก็ไม่มีผู้ใดเล่าจะพึงอุปถาเธอถ้าแลเธอทั้งหลายไม่อุปถา ก, กันและกันไซทีนั้นใครเล่าคราวนี้จะอุปถาดูกรภิกษุทั้งหลายผู้ใดจะพึงอุปถาเราผู้ตถาคตด้วยกระทําตามโอวาทและคําพร่ำสอนผู้นั้นพึงอุปถากภิกษุไข้เธอเพราะนั้นถ้าใครจะตถากเราเนี่นะถ้าคารบเราจริงก็ไปดูแลภิกษุไข้ ถ้าอุปชาหรืออาจารย์แหง่งผู้เป็นไข้มีไใ้ให้อุปชาและอาจารย์พึงอุปทากว่าจะสิ้นชีวิตคอยอยู่จนกว่าจะหายถ้าสัตว์วิหาริกอันเตวาสิกและผู้ร่วมอุปชาเดียวกันผู้ร่วมอาจารย์เดียวกันมีไใ้เธอเหล่านั้นก็พึงอุปทาจนกว่าจะสิ้นชีวิตหรือว่าคอยอยู่จนกว่าจะหายโรคถ้าอุปชาและอาจารย์สัตว์วิหาริกอันเตวสิกหรือว่าผู้ที่ร่วมอุปชา ผู้ร่วมอาจารย์แห่งพิสูจเป็นไข้นั้นไม่มีคือเธอเป็นอาคันตุ ก, กะเที่ยวมาแต่ผู้เดียวเธอนั้นสงพึงอุปถากเธอถ้าแม้ไม่อุปถากต์ไปต้องทุกข์กดด้วยกันทั้งสิ้นทั้งวัดเลยถ้าไม่ดูแลพิกูุไข้ถ้าเป็นอาคันตุ ก, กะมาแล้วป่วยไขย้ไม่มีใครดูแลต้องอาบัดทุกรูปเลยต้องถัดเวรกันดูแลก็แล้วเมื่อพิกูจ์ทั้งปวงตั้งเวรกันปฏิบัติผู้ใดไม่ปฏิบัติในวาระของตน เป็นอาบัติแก่ผู้นั้นแท้แม้พระสังฆเถระก็ไม่พ้นวาระไปได้ถ้าสงฆ์ทั้งปวงมอบให้เป็นธุระแก่ภิกษุรูปหนึ่งหรือภิกษุองค์หนึ่งผู้ประกอบด้วยวัดก็คือถึงพร้อมด้วยวัดรับว่าจะปฏิบัติเองไซสพระสงฆ์ทั้งหมดก็พ้นอาบัติภิกษุใข่พร้อมด้วยองค์เป็นโทษห้าประการจากอุปาถากเธอได้ยากภิกษุที่ดูแลด้ยากก็คือไม่ค่อยทำความสบายข้อหนึง่ง ปะเด็สองไม่รู้ประมาณของความสบายเป็นอะไรสบายยไม่สบายยาไม่รู้เลยไม่สนใจเลยแล้วก็ไม่เสพสัตย์ในกินญาไม่กระทําให้แจ้งความเจ็บไข้ตามความเป็นจริงคือโรคทวีขึ้นหรือว่าไม่บอกว่าทวีขึ้นถอยลงก็ไม่บอกว่าถอยลงคงอยู่ก็ไม่บอกว่าคงอยู่แก่ผู้อุปถามซึ่งหวังประโยชน์ก็คือไม่บอกอาการของไข้ตามความเป็นจริงข้อที่ห้าก็เป็นชาติแห่งคนไม่อดกลั้นซึ่งทุกขเวทนา ที่เฉียบแหลมเผ็ดร้อนไม่เจริญใจอาจนำชีวิตเสียดได้เกิดขึ้นมีในตัวก็คือเป็นคนที่พร้อมโวยวายี่บนจู้จี้ไม่อดทนอันนี้ก็ดูแลได้ยากพิกสุกให้พร้อมได้องค์เป็นคุณห้าจะอุปถาธเธอได้ง่ายก็คือมัดทำความสบายตอนที่สองรู้ประมาณในความสบายก็คืออะไรเป็นสัปายะไม่เป็นสัพยะก็เลือกเฟ้นเอาแต่สัพยะแล้วก็เศษเศตัดไรยกยาตามเวลา เราทำให้แจ้งตามความเจ็บตามความเป็นจริงเจ็บปวดรวมันลดลงเพิ่มขึ้นกระ บ, บอกตามความเป็นจริงแล้วก็เป็นชาติแห่งคนอดกลั้นอดทนอันนี้เป็นคุณสมบัติของที่สุขให้ที่จะดูแลพยาบาลได้ง่ายผู้อุปถัมภ์คนไข้พร้อมได้องค์เป็นโทษห้าไม่สมควรจะอุปถัมภ์จะมาดูแลคนป่วยไข้นี่ต้องมีคุณสมบัติเหมือนกันนะคือไม่อาจจัดแจงประกอบยาได้ปรุงยาไม่เป็นสมัยก่อนเขต้องปรุงยาเองอ่ะนั้นถ้าปรุงยาไม่เป็นมาดูแลคนไข้ไม่ได้ ต้องปรุงยาได้ข้อที่สองไม่รู้จักอาการสปายะหรือไม่สปายะพวกอาหารพวกฤดูพวกที่อยู่อะไรสปายะไม่เป็นสปายะไ ม, ม่รู้เลยน้อมสิ่งที่เป็นของไม่สัปายะเข้าไปนําสิ่งที่เป็นสปายะออกมาอย่างเงี้ยคนไข้ก็ตายกันพดีแล้วก็พยาบาลเพราะว่าเห็นแก่อามิตรเห็นแก่สินจ้างเห็นแก่รางวัลถ้าเกิดเดือดร้ายแล้วจะได้บาทจะได้เป็นมรดกของเราชีวรเป็นมรดกของเราอันนี้ก็ ไม่มีจิตประกอบด้วยเมตตาเนี่ยก็ไม่ควรจะไปอุปถาดหรอกเป็นคนมักเกลียดเพื่อจะนําไปเสียซึ่งอุจจาระปัสสาวะหรือน้ําลายหรือว่าพวกราดอะไรต่างๆเหล่านี้ น, นนะถ้าเป็นคนที่รังเกียจเป็นคนที่ล ะ, ะเอียดเสียง่ายๆเนี่ยไม่ควรดูแลพิจุป่วยไข้แล้วก็ไม่อาจชี้แจงให้สมท า, านให้อาหานให้ร่าเริงด้วยธรรมนีกะถาได้งพระพิจูตที่จะมาดูแลพิจุป่วยไข้ต้องรู้จักธรรมะแสดงธรรมปลอบโยนให้มีกําลังใจอะไรต่างๆ ส่วนภิษุที่มีองค์ที่เป็นคุณห้าประการพ้นจากองค์ที่เป็นโทษห้าดังกล่าวมานี้จึงจะสมควรอุปถาภิกษุขใข้ก็ต้องเลือกเฟ้นเหมือนกันข้อหนึ่งอีกพิกษุและสามเณรทาการละกิริยาแล้วบริขารเป็นของสงฆ์ด้วยทรงอนุญาตไว้ว่าพิขุดสะพิขเวการะกกเตสังโคสามีปัตจจวเรกความละอะเวพังขิกังแต่ว่า พิสุทำการละกิริยาแล้วสามเณรทำการละกิริยาแล้วสงเป็นเจ้าของในบาชีวรก็แต่ว่าผู้อุปถาคนไข้มีอุปการะมากเราผู้ตถาคตอนุญาตให้ให้บาตและไตรจีวรแห่งพิสุผู้ทำการละกิริยาและบาจีวรแห่งสามเณรผู้ทำการละกิริยาแล้วแก่ผู้อุปถาคนไข้ในของเหล่านั้นสิ่งใดเป็นระหุพันธ์ระหุบริขารของเหล่านั้นเราผู้ตถาคต ยอมให้สงที่พร้อมหน้ากันอยู่แจกกันได้ในของเหล่านั้นสิ่งใดเป็นครุภัณเป็นครุบริขารของสิ่งนั้นเป็นของจัตุทิศสงก็งหมายถึงสงที่มาจากทิศทั้งสี่จัตุตทิศซึ่งมาและไม่ได้มาจะมาหรือไม่มาก็แล้วแต่ใครมาก็ใช้ได้ทั้งหมดเป็นของสละไม่ได้นะถ้าครุภัณแจกกันก็ไม่ได้ด้วยใครแจกใครสละตอบัตรทุนและใจเลยจะเป็นครุภัณของสง ก็แลจะให้บาจีวรแก่ภิกขุผู้อุปถา ค, คนไข้นั้นให้ผู้อุปถาขนั้นพึงเข้าไปใกล้ส่งแล้วว่ากล่าวว่าอิท่านนาโมพันเตภิกขุการกตโตอิดังตัสตาติจีวรันจปัตโตจะถ้าเป็นของสมเณรก็ว่าดังนี้ว่าอิท่านนาโมพันเตสัมเนโรการกตโตอิดังตัสตาจีวรัญจะปัตโตจะทั้งสองบาลีนั้นแปลว่าภิกขุชื่อนี้ทําการและกิริยาแล้ว อันนี้ตรจีวรและบาดแห่งเธอนั้นหรือว่าสามเณรชื่อนี้ทําการและกิริยาแล้วอันนี้จีวรและบาทแห่งเธอนั้ น, าา น, น, น, น, น, นพึงว่าดังนี้ก่อนแล้วสงพึงสวดประกาศด้วยยติทุติยกรรมวาจามอบของนั้นให้ว่าสุมาตุเมพันเตสังโฆอิทัณ น, นามภิกขะกัลกัโตอิดังตาสาติจีวรัญจปาโตจ่ยาดิสังคะสาปะตะกัลัง สังโฆติจีวรัญจปัตัญจาทิลานุปั ธ, ธาตานังดะเดยะถ้าเป็นของสำเนงก็ให้แวะแต่จีวรังอันหนึ่งจะให้ด้วยอัปโลกน ก, กรรมก็ควรให้ด้วยอัปโลกประกาศสามครั้งก็ได้แม้สำเนยียงผู้อุปถาผู้เป็นไข้ก็ได้ส่วนเสมอกับพิกษุด้วยตรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิพิกเวะขอความละทิลานุปัฏ ถาตสะสามเณรสัสษะสมะกังตติวิสังดาตุงดังนี้คำเหล่านี้กล่าวย่อแต่ตามบาลีเมื่อต้องการพิสดารก็พึงดูในตติยะสมันตปาสาธิกาเถิดท่านก็รวบรวมย่อมาให้เป็นผู้ที่มีความรู้แล้วก็เอาในดีกาต่างๆมาช่วยขยายด้วยข้อหนึ่งที่สู่เป็นไข้เล็กน้อยเป็นต้นว่าปวดตีสระจะกลางกั้นเสนาสนะไม่ควรด้วยทงห้ามไว้ว่า นาพิกเวเลสะกบเปนะเสนาสนังปฏิบาหิตบังแปลว่าอย่าพึงห้ามเสนาสนะด้วยกำหนดเลศถ้าห้ามดังนั้นต้องทุกกดข้อหนึ่งอีกทรงอนุ ญ, ญาตไว้ว่าอนุชานามิพิกเวข็ความละปัญจหังเคหิสมณนนทตังพิกุเศนาสนะคาหาปกังสั ม, มันนิตุงข็ความละทารยามีติ แปลว่าเราพูดตถาคตอนุญาตให้สมมุติภิกตุพร้อมด้วยองค์ห้าคือพ้นจากอคติสีธาราตรู้การยังภิกตุให้ถือเอาและไม่ถือเอาให้เธอนั้นเป็นเสนาสนะคาหาประกาศก็คือคนที่แจกเสนาสนะนั่นเองผู้บัญชาภิกตุอื่นก็คือผู้ใช้ให้ภิกตุอื่นถือเอาเสนาสนะจากสมมุติด้วยยติทุติยกรรมวาจาหรือว่าด้วยอปโล ก, กนกรรมก็ได้ ผู้ได้สมมติเป็นผู้มอบเสนาสนะแล้วในวันเข้าบรรษาพึงประกาศที่สุทั้งปวงให้ประชุมกันแล้วพึงมอบเสนาสนะดังนี้ก็คือนับทิกษุก่อนแล้วก็นับเสนาสนะเป็นต้นว่าเตียงตังเสนาสนะน้อยทิกสุมากพึงมอบตามกำหนดที่นอนถ้ากุฎิวิหารมีมากพอกันพึงมอบตามกำหนดกุฎิและตามกำหนดบริเวณถ้ากุฎิวิหารยังเหลืออยู่มากไซพึงให้ส่วนเพิ่มอื่นอีก ด้วยทรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิพิกเวก็ความละปัทมังพิกขูขเนตุงพิกขูขเนตตะวะสียาขเนตุงสียาขเนตตะวะสยักเคนคาเหตุงอนุชานามิพิกเวก็ความละอนุภาคังปิดาตุงก้าหีเตอนุภาเคอัญโยภิกขุอาคัจจินากามาดาตะโบดังนี้ ครั้นส่วนเพิ่มบัญชาให้ถือเอาแล้วหมายถึงว่าใช้ถือเอาแล้วเนี่ยนะเพ่งตัวอื่นมาถึงเข้าไม่อยากจะให้ก็อยากให้ถ้าแล้วเธอองค์ใดถือเอาแล้วเธอองค์นั้นจะให้ส่วนเพิ่มหรือว่าส่วนแรกตามชอบใจตนก็ควรเพราะนั้นจำภาษาถ้าเป็นกุฏิวิหารงสงฆสงฆ์เนี่ยนะไม่มีติดก็คือถ้าแจกไปแล้วไาาม่ได้ตังนั้นหมายถึงว่าถ้าจำํำราษาแจกไปแล้วก็คนอื่นก็มาใด้ไม่ได้ แต่ถ้าเกิดออกพรรษาแล้วนี่นะถ้าอ no าคารตุกะ to to ามานี่ต้องถามพรรสนะพรรษาใครมากนีในอยู่ในเสนาสนะที่ดีพระวิสูที่อยู่ในเสนาสนะนั้นก็ต้องย้ายธรามสารอ่อนก็ต้องย้ายพรรษามากอยู่ในเสนาสนะที่ดีนอกจากว่าให้ถือเสนาสนะในตอนเข้าพรรษาก็ถือเสนาสนะแล้วก็ต้องอยู่ไปตลอดพรรษานะ้วตอนี้ไม่ย้ายแล้วพรรษามากมาไม่ย้ายพนันพระวิสูทคนแจกฉลาดก็ต้องไป เตรียมเอาไว้จากที่สองที่ต้องเตรียมเอาไว้นอกบัญษาก็ตามนะงนั้นย้ายกันชุดมุลถ้ามาตอนกลางคืนก็ยุ่งเลยข้อหนึ่งองีกอย่าให้พิกษุผู้ตั้งอยู่ภายนอกอุปจาราศีมาถือเอาเสนาสนะด้วยถ้าให้ถือเอาต้องถูกกฎมื่อตรงห้ามไว้ว่าณนะพิชเวนิศสีเมถิตตสะเสนาสนางังคาเหตตบังดังนี้ ได้แต่ให้พิจุผู้ตั้งอยู่ในภายในอุปจารสีมาอย่างเดียวถือเอาแม้ถึงไกลก็ได้ข้อหนึ่งผู้ได้ส่วนเสนาสนะที่แจกแล้วอยาพึงหวงห้ามการกั้นพิจุอื่นสิ้นการทั้งปวงถ้าหวงห้ามดังนั้นต้องทุกกฏการกั้นได้แต่ในภายในภัษาสามเดือนเท่านั้นในอุตุการพ้นภาษาแล้วการกั้นไม่ได้ด้วยตรงห้ามและอนุญาตเล้ว่าณพิขเวเตนาสนังขเหตตาว สับตะาลางปฏิบาหิตบังข้อความละอนุชานามิพิขเวเข้อความละวาสาัสนางเตมาสางปฏิบาหิตุงอุตุกาลังณปฏิบาหิตุงดังนี้การถือเอาเนาศนาสนะนั้นมีสามอย่างก็คือปุริมิโกให้ถือในวันเขา้าราษากรอนเข้าราษาต้นปาชิมิโกให้ถือในวันเขา้าภาษาหลังอันตรามุตตะโกให้ถือในวันแรมค่ำหนึ่ง เดือนสิบเอ็ดหลังวันมหาเารนาคือออกัาษาแล้วว่าให้ถือใหม่ได้ถือเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้รักษากุติวิหารดังนั้นเทวิสุขนี้หมดไม่มีใครดูแลใช่ไหมถ้าใครดูแลก็กุติวิหารก็พังละสิแล้วก็อ อ, อกภาษาตรงเนี้ให้ถือเอาได้เพื่อที่ว่าเดี๋ยวถึงพรรษาหน้าก็จะได้ล่า ก, ก็คือผ้าจำนำราษาแต่ว่าภาษานี้ไม่ได้นะา ภาษานี้คือคนไหนเข้าจำภาษาคนนั้นก็ได้เลยแล้วไงสมัยก่อนนี่ก็จะมีกุฏิของใครมาสร้างเขจะมีผ้าจํานำราษาแล้วก็มีลาบให้จะได้มาดูแลกุฏิของเขาไงยุคนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วไม่เคยมีประเพณีนี่ละแต่สมัยก่อนก็จะมีผ้าจํานำราษาใครจำภาษาแล้วก็ก็จะนํามาถวายแล้วต้องช่วยดูแลกุฏิวิหารด้วยก็ อันตรามุตกโกเนี่ยให้ถือในวันแรมค่ำหนึ่งเดือนสิบเอ็ดหลังวันมหาปราณาเพื่อจะให้อยู่จำภาษาต่อไปในปีหน้าอีกแต่ว่าต้องดูแลรักษาปทั้นถึงปีหน้านั้นโดยบาลีว่าตะโยเมพิขเวเสนนาสนะคาหาปุริมิโกขอความละอิเมโกพิขเวตะโยเสนนาสนะคาหาความว่า เสนาสนะใดามีลาบมากคือทายกผู้เจ้าของเขาถวายผ้าจำนำรรษาและสมณบริขารมากแก่ที่สุดผู้อยู่ในเสนาสนะพระมหาเถระมาแต่ไกลจำภาษาอยู่ออกพรรษาลแล้วก็ได้ลาบแล้วก็หลีกไปเอาลาบไปด้วยเสนาสนั้นชมรดจาวาดไม่เดียวแลพระองค์ทรงอนุญาตให้ถือเสนาสนั้นเป็นอันตรามุตตะเพื่อจะอยู่ต่อไปอีกในพรรษาหน้า จะได้ปฏิบัติเสนาธนะนั้นกุฏิเนี้มีราดเยอะนะท่านท่านจะถือไว้ถ้าถืออา่าดูแลไปเดี๋ยวถึงจำพรรษาหน้าแล้วก็เอาราบถ้าถึงจำพรรษาหน้าแล้วพระเถระมาแต่ที่อื่นจะมาถือเอาอีกไม่ได้อ๋อองค์นี้ดูแลมาองค์นี้ดูแลมาตลอดแล้วท่านไปไหนมาก็จะมาถือเอาอีกไม่ได้นะถือว่าพรไษาแล้วมาจำพรรษาได้หน้าไปเดี๋ยวจะไปจำพรรษาอีกใช่ไหมจะมีอย่างนี้เหมือนกันนะ กันก็ไม่ได้แล้วต้องมีกติกาไม่งั้นจะจะมาเฉพาะจะเข้าบรรษานั้นนั้นเองอ่อนสาแล้วไม่มาช่วยดูแลเสนาสนะก็เสนาสนะก็พังหมดแต่ทิสุผู้ได้เสนาสนะนั้นในอุตุการจะอาศัยในกลางวันกลางคืนได้อยู่แต่ทิสุผู้แก่มาอย่าห่วงห้ามทิสุผู้แก่พรรษามา น, นี้อย่าหวงห้ามอหนึ่งการถือเสนาสนะนั้นมีสองถ้าให้ถือเสนาสนะเนี่ยมีสองก็คือ ในอุตุการแปดเดือนอย่างหนึ่งในวัฏการสามเดือนเข้าพรษาอย่างหนึ่งในอุตุการอาคันตุกะมาถึงเมื่อใดพึงให้พิกษุผู้อยู่ก่อนออกเสียให้เสนาชนะแก่อาคันตุกะในวัฏการคือเข้าบรรษาผู้เป็นอาคันตุกะจะออกจากที่อยู่ตนไปอยู่ที่อื่นอย่าไปในวันเข้าบรรษาจะคับแค่คือเตรียมจะไปอยู่จำพรรษาที่ไหนก็แล้วแต่ต้องไปแต่นน่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ร่่่ ยุ่งยากวันเข้าบรรษาผู้นั้นก็จะแจกเกินานสนะกการลาบากให้เตรียมตัวไปก่อนอย่าไปในวันเข้าพรรษาจะคับแคบลําบากยังประมาณอีกสักเดือนหนึ่งจะเข้าพรรษาจึงไปจะได้ไม่ลําบากด้วยที่อยู่เป็นต้นฝ่ายที่สูเจ้าอาวาสเล่ากระพึงชําระวิหารซ่อมแปลงที่สลักหักทางเสกอนแต่วันเข้าบรรษาทีกสู่เป็นอาการทุ ก, กะมาอาศัยอยู่จะได้อยู่เล่าเรียนศึกษาสบาย แล้วเจ้าว่าก็พึงประชุมกันสมมุติเสนาธนะทางหาประกะผู้มอบเสนาธนะขึ้นซักสองรูปหรือว่าสามรูปผู้หนุ่มจะได้มอบให้แก่ผู้แก่ผู้แก่ก็จะได้มอบให้แก่ผู้หนุ่มสมมุติที่สู่ผู้แจกเสนาธนะให้รับสองสามรูปแล้วผู้ได้สมมุตินั้นต้องรู้จักที่เป็นเสนาธนะและมิใช่เสนาธนะถึงวันเข้าบำสาพึงกําหนดลาบที่เกิดขึ้นในเสนาธนะนั้นมอบให้ตั้งแต่เทระลงไป โดยกำหนดเสนาสนะน้อยและมากดังกล่าวและในกรณถ้าผ้าจำนำภาษาถ้ายกเขาถวายแก่ภิษุผู้อยู่ในเสนาสนะนั้นมีก็พึงมอบให้ด้วยคำว่าพันเตตุมห้ากังอสุกังเสนาสนังตาปูนาติปัจจยังวะคันหัะว่าเป็นสามบาลีนนะบอกว่าเสนาสน์นู้นถึงแก่ท่านท่านจงถือเอาปัจัย มีปัจจัยให้ด้วยก็คือพระเจ้นานามบัญชากล่าวดังนี้ถ้าเป็นอ่อนกว่าก็อาวุโสถ้าเกิดเป็นสนาสนักใกล้ก็อีดังอาวุโสตุยหัง่งอีดังเซนาสนังปาปูนาติปัจะยังวะคันหะกระบอกให้ถือเอาเสนาสนนั้นถ้าราบไม่มีก็ให้ว่าตุมหาตางอสุกะเซนาสนังปาปูนาติดังนี้ พระเถระก็พึงรับว่าคันหามิอาุโสภิกตุหนุ่มก็พึงรับว่าคันหามะพันเตว่าเราถือเอาละดังเนี้ยผู้รับเสนาสนะไปแล้วพึงระวังปฏิบัติเสนาสนั้นกว่าจะไปจากที่นั้นก็คือต้องดูแลมีเสนาสนาวัตด้วยนะลืมหมดหรือยังยังไม่ลืมนะคํานี้กล่าวโดยย่อนะจะต้องการพิจาราก็พึงดูในายจตุทะสมันตะปานสาธิกาเถิดข้อหนึ่ง พิสุผู้เดียวอยากกลางกั้นเสนาสนะสองแห่งถ้ากลางกั้นต้องทุกกฎได้ทรงห้าไหมไว้ว่าณพิคเวเอเกณะดาเวปัิบาหิตาบาดังนี้พิสุบางรูปในวันเข้าบรรษาถือเสนาสนะในวิหารแห่งหนึ่งแล้วไปถือเสนาสนะในวิหารอื่นอีกพระอะไรอ่ะพระอุปนันทสักยบุตรถามวัดนี้นี่มีลาบอะไรบ้างผมมีท้าจำมัสาผืนหนึ่งครับวางไม่เท้าเอาไว้ ไปวันหนึงวันนี้มีลาบอะไรบ้างมีผ้าครับมีผ้าเหมือนการแตะต อ, อเก้าตอาวาง้อรองเท้าเอาไว้ไปวันหนึ่งก็เราใบขาดไป ว, วางไงพอออกพรรษาปุ๊บนี่ผมวางรองเท้าไว้เห็นไหมผมต้องได้ไม่มาดูแลเลยเพราะฉะนั้นนี่ไม่ได้นะอย่างนี้เขาเรียกว่าประจำพรรษาหลายแห่งนี้มีอาบัติโดนาะมีโทษด้วยพิสูจบาง ร, รูปเนี่ยในวันเข้าพรรษาก็ถือเสนาสนะในวิหารแห่งหนึ่งแล้วไปถือเสนาสนะในวิหารอื่นอีก ถ targets, ือเศนาสนะก่อนแห่งเธอการถือเศนาสนะอันก่อนเนี่ยย่อมระงับไปด้วยถือเศนาสนะใหม่อันหนึ่งหรือทำอะไรว่าจะอยู่ในวิหารนี้แล้วก็ไปถือเศนาสนะในวิหารอื่นอีกอะไรก่อนแห่งเธอย่อมระงับด้วยการถือเอาเศนาสนะใหม่นี้อันหนึ่งถือเอาเศนาสนะหรือทำอะไรว่าจะอยู่ในวิหารนี้แล้วไปถือเอาเศนาสนะหรือทำอะไรว่าจะอยู่ในวิหารอื่นอีก อย่างนี้การถือเอาเสนาสนะแห่งเธอนั้นย่อมระงับด้วยอะไรหรืออะไรย่อมระงับด้วยอะไรเธอนั้นย่อมตั้งอยู่แต่ในการถือเศนาสนะหรืออะไรในภายหลังอย่างเดียวทุกแห่งอะไรก็คือตั้งใจว่า เ, เราเดี๋ยวเราอยู่ที่นี่ก็แล้วกันแค่นะี้ทำอะไรลนะก็แลทิสตุดยถือเสนาสนะในวิหารแห่งหนึ่งแล้วคิดว่าจะอยู่ในวิหารอื่น พอล่วงอุปจาราีมาออกไปการถือเสนาสนะในวิหารก่อนแห่งเธอนั้นก็เป็นอันระงับพี่และเธอไปด้วยคิดว่าสบายในวิหารน้้นจกอยู่นี่ก็มีวิกัปนะนะมีข้อแม้ว่าถ้าอยู่สบายจะอยู่ถ้าไม่สบายจะกลับมาดังนี้แล้วก็ไปรู้ว่าไม่สบายแล้วกลับมาดังนี้ก็ได้ไม่ระงับแสดงว่ายัางไม่ตั้งมั่นยังไม่มั่นคงอันนี้แสดงว่าไม่ได้ถือยถาสันติกังคะตุดงตุดงข้อหนึ่งคือ เป็นเลือกไม่ได้เลือกเสนาธนะไม่ได้เขาให้อยู่ที่ไหนต้องอยู่ที่นั้นอยลโลเลไม่เอาไม่เอาผมไม่อยู่ที่นี่ น, นี้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นเสนาธนะปฏิสังขุตคาถาจบก็เป็นเรื่องของการฏิบัติเสนาธนะของแค่นี้ก็แล้วกันสําหรับพระวินัยก็เป็นปัจจัยแก่การนี้ทำให้เกิดศัทธาปรสาทะแล้วก็ทําให้ปฏิบัติในสมถะในสมาธิแล้วก็วิปัสสนาได้เจริญยิ่งขึ้น ก็ขอให้ถึงพร้อมด้วยใจศิกษาแล้วก็เจริญมั่นคงในพระพุทธศาสนาจนปลายจะ บ, บรรลุมรรคผลนิพพานโดยทั่วกันเทิสาธุสาธุสาธุ